อันนี้ตอนนั้นก่อนที่จะรู้ความคิดนี่กําลังเดินเดินไปเดินมาค่ายค่ายคือมีคนมาผักดันข้างเรายูคนเราก็มองดูมันไม่เห็นด้วยตาความคิดนี่นไ้ไม่มีตัวไม่มีตนก็เลยไม่เห็นเดินกลับไปกลับมาที่ว่าเดินจมชมแต่ความจริงก็ยั้งนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดกันมาครั้งที่สองนี่ก็รู้เป็นเรื่องราว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 ก็เป็นคนลืมตัวแต่ไม่แค่ลืมตัวตัวนั้นนี่ลืมสมุธานต้นเหตุกำเนิดที่เกิดของความคิดนี่แหละการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระไตรปิฎกก็ตัง้งถ้าหากไม่มาจับต้นตอตอนนี้แล้วอันนั้นก็ดีแต่ว่ายัางไม่ตรงเพราะมันยังแก้ทุกข์ไม่ได้มันดีเพียงเอาไปโฆษณากันส่วนเสื้อกันก็ดี